พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ81อดปีหลวงปู่เผยวิริโยนะโมตัสสะปะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 คณะสิทธานุสิ์ได้มาร่วมกัน<ม>แสดงมุทิตาส ก, การะในองค์หลวงปู่หลวงปู่เผยของพวกเราหลวงปู่เผยวิริโยท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำผาปู่ของพวกเราปีนี้ท่านอายุได้81บอปีนับว่าเป็นพระมหาเถระ ผู้ใหญ่ในเขตจังหวัดเลยลองจากหลวงปู่ท่อนของพวกเราแต่สมัยก่อนอาตมาภาพเองเป็นพระน้อยพระนุ่มอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวท่านก็มากราบเยี่ยมหลวงปูค่คาดีบ่อยครั้งจากพอท่านมาแล้วท่านก็ได้กลับไปพูดให้แก่พวกเราได้ฟังว่าวันนี้เได้มา หาหลวงปู่แล้วมากราบหลวงปู่คาดีได้สนทนาปารบเรื่องอะไรบ้างท่านก็เลยพูดโดยโดยมากท่านมาแต่ละครั้งท่านก็มากับหลวงปู่ลีกุสะทะลทารโอมาด้วยกันสององค์แล้วกับกับโซเฟอร์จากนั้นท่านก็พูดว่าได้พูดได้พบกับหลวงปู่คําดีทำพระปู่แล้วก็ท่านหลวงปู่สีทนครั สมัยนะั้นหลวงปูท่ทิศธนก็ยังเป็นท่านพระอาจารย์สีทนแล้วกับท่านพระอาจารย์เผยเตทพเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่รองจากองคหลวงปูค่คําดีที่พวกเราท่านทั้งหลายรู้จักกันมานมนานเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือท่านปฏิบัติคงเส้นคงวามาตลอดขณะ น, นี้ท่านอายุถึงแปดสิบเอ็ดพรรษานับว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ในเขตจังหวัดเลยของพวกเราในเขตอีสานเหนือของพวกเราพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสําหรับลูกหลานคณะัตหา ญ, ญาติโยมทุกหมูเ่เหล่าได้มาแสดงมุทิตาสักการะในองค์หลวงปู่เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายการมาแสดงทีมุทิตาสักการะมาด้วยน้ําจิดน้ําใจมาด้วยความรักเคารพในองค์หลวงปู่ มากราบมาไหว้เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราถ้าจะพูดไปก็มีคล้ายๆกับว่าเมื่อเรา ส, สแวงหาทรัพย์หรือว่าเราอยู่ครวญญาติโยมการทำมาค้าขายการ ส, สแวงหาทรัพย์นานับา น, านานาประการมันเป็นขรหรัการก็มีเป็นผอกข้าก็มีทามาค้าขาย ปีปัถะในการทำมาหาเลี้ยงชีพออทํทาไร่ทํานาทารั้วทํำสวนทำบรรยายไปก็มากแต่ว่าการทําทุกอย่างนั้นเพื่อเลี้ยงเพื่อเอามาเลี้ยงร่างกายของพวกเราคือร่างกายของพวกเราจะอยู่ได้จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เอามาเลี้ยงร่างกายแต่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถิดร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่งก็ต้องถึงจุดจบคือถึงความตายไม่มีใครที่จะ ออกทีจ่จะหลีกหนีหนีพ้นไปได้แต่ที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมหรือมาเข้ามากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์นี้อันนี้มาหาอาหารเข้าสู่จิตใจอันนั้นคืออาหารกายแต่คราวนี้เป็นอาหารใจอาหารใจพวกเราโดยมากบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดมีแต่าหาอาหารกายอย่างเดียวคิดว่าจะเพียงพอแต่ตามไม่จริงอาหารใจเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่ง ในหลักของพระพุทธศาสนาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราอย่าให้ขาดตกบกพ่องทั้งอาหารกายและอาหารใจอาหารใจบางท่านบางคนก็พูดแบบง่ายๆหลวงพ่อเคยได้พูดว่าผมฤาษีฉันก็ไม่ได้ทำความชั่วเสียหายอะไรไม่ได้ทำทำทำใครให้เดือดร้อนไม่ได้ทำให้ใครทุกข์ยากลำบาก ไม่ได้คไไ ด, ไ ม, ไ, ดไม่ได้กงไม่ได้ป่นไม่ได้กีไม่ได้เบียดบังทรัพย์สมบัติของใครและไม่ได้ดทุบตีฆ่าแกงใครฆ่าอยู่อย่างนี้ก็น่าจะเพียงพอเพราะพ่อละค่าไม่ได้ทำความชั่วเสียหายอะไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเราพวกเราต้องคิดให้ดีต้องคิดให้กว้างไกลกว่านั้นคือพวกเราถึงจะไม่ได้ทำความชั่วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น แต่ถ้าว่าพวกเราได้นำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับการเป็นอยู่ของพวกเราถ้าเราได้ศึกษาได้ศึกษาให้ลึกซึ้งในทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการคิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ขาดความรอบขอบเป็นความคิดที่โง่ปุดพูดได้อย่างนั้นถ้าว่าเราถ้าเราเปรียบเทียบพอทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบพะหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือความคิดในใจเราอยู่อย่างนั้นเราไม่เคยคิดเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเราไม่ได้คิดโกรธให้คนอื่นใช่ไหมเราไปคิดโลภคนอื่นใช่ัหมเราไม่คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นใช่ไหมเราเคยคิดไหมทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ต้องคิดกันทางนั้นอ น, นั้น là, คือมโนกรรมในเมื่อมโนกรรมคิดออกไปแล้วการกระทาทางกายก็เกิดขึ้น บางทีก็บี้มดบ้างข้ายุงบ้างบางทีก็ไปเห็นปลาในตู้ก็ยุ่งชี้ปลาในตู้มาให้มากินบ้างถ้าเราเอาทําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบก็คือปานาติปาตาเวรมณเนธนี่แหละอันนี้ก็คือการกระทําทางกายส่วนวาจาก็คือบางทีเราก็พูดออกไปมุสาบ้างแกะ้งแกล้งคนอื่นบ้างเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นบ้างแต่ไม่ถึงกับมากแต่ก็ มันก็มีอยู่ถ้าเราได้ศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบแร้วมาเป็นกระจกเงาพวกเราจะรู้ได้ว่ามนโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมของเราเนี่อันไหนมันผิดขาดตกบกพร่องไปบ้างจะรู้ได้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาแล้วเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านการศึกษาธรรมะหรือว่าการ ฝั่งพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์การศึกษาธรรมะมันเป็นเครื่องเป็นเรื่องขัดเกลาและเป็นกระจกเงาสำหรับตัวของพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรามันเป็นไม่ยืดยาวไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนแต่พูดทางนี้ทางนั้นถ้าเราพูดดอย่างทพ่อพูดอย่างนี้อาจจะเอาความตาย มาคู่กันหรือเอาความตายมาบอกให้กล่าวกันให้กลัวให้กลัวความตายแล้วก็จะได้พวกเราจะสั่งสมคุณงามความดีหรือว่าบางคนก็ได้เสียสละแต่ซึ่งทรัพสมบัติทมบุญทำ ท, ทานไม่ใช่จะไปคิดอย่างนั้นตลวงพ่อเองหลวงพ่อก็คิดไว้ในใจเสมอเพราะ พ, พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท่านรำลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระ อ, อนุนตอบกราบทูนพระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ายัางประมาทะอนุท่านต้องคิดทุกลมหายใจเข้าออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ตายด้วยกันเพราะนั้นท่านจงระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาท่านจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าพวกเราคิดระลึกถึงความตายแล้ว สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็จะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่ล้ำลึกหรือไม่คิดถึงความตายพวกเราจะลุ่มหลงในการเป็นอยู่ของพวกเราและอีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้บางทีเราได้ยินในสถานที่ต่างๆบางคนว่าอุตายแล้วไม่เห็นมาบอกกับมาบอกให้พวกเราผู้ผู้อยู่เบื้องหลังตายแล้วต้องศูนย์จะไปกลัวมันทํำไมตายแล้วศูนย์อันนี้ก็ เป็นหนทางหนึ่งเหมือนกันไม่ให้พวกเราทำคุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆกท่านช่วง น, นี้ก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันเพราะทุขสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีการศึกษาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราให้ศึกษาให้เรียนรู้ไปถามดูสิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพระเถระมหาเถระที่ท่านปฏิบัติที่ท่านนั่งอยู่นี่ที่นีนะ่ที่เป็นพระกรรมฐาน ที่เป็น พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านถามเมื่อสิว่าท่านอาจารย์ลุงปู่เชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดหรืตายแล้วสูญท่านถามเื่อสิถามหลวงพ่อเองนี่ก็ถามเถอะหลวงพ่อจะร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อยืนยันทั้งนั้นว่าตายแล้วเกิดแน่นแน่นอนเพราะเหตุใดจึงเอาตัวไหนมายืนยันเมื่อพวกเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือว่าจะบริกรรมกรรมฐานไหนก็ได้จิตพวกเราจิตพวกเราท่านทั้งหลายรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตที่รวมเป็นหนึ่งที่เป็นอัปปนอัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครกายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเปรียบเทียบกับ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถส่วนใจคือ น, นามธรรมเหมือนกับคนขับรถ แยกกันได้ชัดเจนถึงขนาดนั้นเพราะอันใดนอันใดแตกตายร่างกายนี่แตกตายสลายแน่แต่ชวนนมามธรรมคือจิตใจนั่นตัวผู้รู้รู้น่ะตัวนั้นละ่ะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเห็นได้ชัดเพราะนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานที่ท่านภาวนาท่านจึงยืนยันร้อยทางร้อยว่าตายแล้วไม่สุตตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายขา้าราชการญาติโยมทุกทุ ก, ท, กท่าน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายและไม่ศูนย์ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าพวกเราทํำสิ่งที่ไม่ดีทํากรรมชั่วคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วสิ่งที่ชั่วนั่นและจะตามติดตามดวงใจของพวกเราตามตัวผู้รู้ของพวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราท่านพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่าในโอวาทปฏิโมก อักตังลุกตังเส้ยโยปัชชาตะปติทุกตังความชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อไดมาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบ พ, พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วขอให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเมื่อพวกเรา มีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุขมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขที่อาตมาได้ยกเป็นพุทธภาสษีเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนิยานังเอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างองค์หลวงปู่ของเราอย่างหลวงปู่ท่อนหลวงปูเ่เผยหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คาดีหลวงปู่หลวงตามหาบัว ปูมั่นลงปูเสาล้วนแล้วจะเป็นพระมหาเถระเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรเคารพถึงท่านจะจากไปแล้วก็ตามเราก็ยังล้ำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนธรรมะทําคําสั่งสอนให้พวกเรารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราให้ล้ำลึกถึงพระคุณของท่านเดียวบูปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชา เอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมหรือเป็นมงคลอันสูงสุดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่พ้องเราท่านให้ความรู้ท่านให้ เ, เลี้ยงร่างกายของพวกเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าหรือให้ความรู้ทางโลกให้กับพวกเราแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระท่านให้ธรำ ท่านแนะนําสั่งสอนให้ธรรมะแก่พวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปปุลคุณโทษและประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรทําอย่างนั้นสมาธิควรทําอย่างนี้ปัญญาควรพิจารณาอย่างนี้นี่แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะสูงสดุดแต่พ่อแม่ของเราให้ความรู้แบบอีกแบบหนึ่งท่านทั้งมีพระ ค, คุณมีเป็นผู้มีอุปการะคุณทั้งสอง ทั้งพ่อแม่ของเราทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมและก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อเองเห็นครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายแต่หลวงพ่อไม่ไม่ขอบอกไม่ขอกล่าวที่เป็นผีเป็นพระเถระมหาเถระท่านพร้อมอยู่แล้วจะเป็นเออเป็นผู้นําอยู่แล้ว เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาของหลวงพ่ออยู่แล้วหลวงพ่อเทิดทูนบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพันศามากกว่าหลวงพ่อแต่พวกน้องนุ่งทางหลายที่บวชมาใหม่หลวงพ่อเองจะจะกล่าวอยากจะบอกเหมือนกันนะนะถ้าพวกเราไม่บอกกันไม่กล่าวกันแล้วพวกเราจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไรก็ต้องอาศัยพี่ก็ต้องอาศัยน้องน้องก็ต้องอาศัยพี่เพราะนั้นโลกทุกวันนี้ ที่พวกเราได้เห็นได้รู้ได้เห็นในสื่อต่างๆฮะสื่อต่างๆไม่รู้ว่าทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์ที่พวกเราได้ยินแล้วก็มีการออกนอกรูนอกคางขายยาโกงยาบาคันซายาฟินแล้วก็ทำอะไรมากมายหลายๆลอย่างสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราสามัญนาสาขยบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้า การกระทําสิ่งใดก็ขอให้น้องนู่ทั้งหลายสํารวมระวังให้เป็นพระที่ดีเพราะว่าพวกเราเป็นเนื้อนาบุญของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมถ้าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแล้วพวกศรัทธาญาติโยมก็ห่างเหินออกจากวัดกระทําให้พุทธศาสนาของเราเสื่อมถอยแต่พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเป็นหลักให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพวกศรัทธาญาติโยมจะ ก็จะได้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทสี่จะเป็นผลึก เ, เป็นอันเดียวกันคล้ายๆว่าอาศัยซึ่งกันและกันพุทธบริษัท4ี่เหมือนกับช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังนั่นหละเออภิกษุสา ม, มเณรก็คือช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาก็คือช้างเท้าหลังอาศัยซึ่งกันและกันแต่ช้างเท้าหน้าขาขาดเนขามันกุดขามันขาดเพราะพระสงฆ์ไม่มีเสียงอย่างเนี้ยไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัย มีแต่ขาหลังดูซิมันจะไปได้ไหมช้างไปไม่ได้แต่ถ้าว่าช้างขาหน้าดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่คณะสัทธาแก่ยุมที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นช้างขาเท้าหลังขาดขาหลังขาดอย่างนี้ช้างตัวนั้นก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นพุทธบริษัท4ี่ต้องไปด้วยกันช้างเท้าหน้ากับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในวงในคือหลักเป็นพระสงฆ์เป็นผู้นา แต่คณะสัตยายญาติโยมก็เป็นผู้ตามเพราะพทุทธศาสนาของเรายืนยาวนานเท่านานเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับหมู่พวกเพื่อนสหธรรมิกน้องนุ่งทางหลายตลอดพิงพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าสรุปแล้วก็คือให้สำรวมกายวาจาใจของพวกเราให้เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีอยู่ตลอดพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญการพูดและการ แสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระสีรัตน์ไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อํานาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็อํานาจครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งมวลที่นั่งอยู่ณทีน่นี้และก็อานาจของหลวงปู่เผยที่ท่านได้สั่งสมบุญมามากถึงมากมายอายุถงท่านกับ8ปอ็ดพันศา81ปี ท่านบวชมานมนานบุญกุศลของท่านก็มากมายเหมือนกัน ข, ขออํานาจบุญบา ร, รมีของขององค์หลวงปู่เผยของพวกเราคุ้มครอง ส, สิทธิอนุสิตทุกทุกๆท่านขอขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถอดสาธุ